จับมือกันทุกสุดด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดัง สองจำ ฉันเ พ, เ, เพลงและคังควัญตัวจากโรงน้ำจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันมันยังคงเก็บไว้วันที่ในลาถอยคำที่ปลอบใจผ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยัง เยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ ทุกสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรื อ, อยังอยากจะให้เธอชวนมารับฟัง w a t I'm thinking of.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 ทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสัส้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ ที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เีเวลาสักชั่วโมงกเคยเกิดขึ้นกับฉัน